โกสเรเนียลสนับสนุดโดยวินเดอร์กัสกาฝากง่ายจ่ายคล่องการันตีการเงินร0 0สายต่อไปจะเป็นสายของคุณ King คิงฮะคุณคิงหรือว่าคิงออฟโกสของเรานั่นเองวันนี้จะมาพร้อมกับเรื่องราวของน้องคนหนึ่งครับ เป็นประสบการณ์ที่เขาเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับคุณคิงได้ฟังและคุณคิงก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันอีกทอดหนึ่งใช้ชื่อเรื่องว่าเกินคาดคิดครับเดี๋ยวจะมาปิดท้ายกันที่สายนี้สายของคุณคิงเป็นสายสุดท้ายของเราในค่ําคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครั บ, รบพี่แจ๊อ่ะนะครับก่อน จะปีใหม่เราได้คุยกันหนึ่งรอบหลังปีใหม่เราก็ได้คุยกันอีกหนึ่งรอบครับอ่าเห็นบอกว่าจริงๆแนละ้วคุณคิงติดงานนะแต่อยากจะแวะมาเออไม่ครับคือผมไปเนี่ผมซื้อสีนปกติล ะ, ละพี่วัชรทิศอะแต่ว่าผมเส้นข้างหลังผมพริกแล้วผมจะต้องกินข้าวตอนเย็นเนี่าผมผมก็เลยลาสินช่วงเย็นๆอ๋อวันนี้ก็เลยสะดวกในการโทรมาพูดคุยกัน ใช่เนี่ยเส้นพงเส้นพิกนี่ระวังหน่อยนะคุณคิงนะรักษาสุขภาพเลยแก่ ไ, ไงพี่หากโหมงานเยอะเออแก่ผมว่าแก่มากกว่าแล้วตอนนี้โทรมาจากที่ไหนเนะีคุณคิงเดิมนะครับที่เดิมนะครับโอเคมาว่าถึงเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่มีน้องคนหนึ่งเนะี่ยมาเล่าให้คุณคิงฟังและคุณคิงมาเล่าให้พวกเราอีกทอดหนึ่ง รัเื่องนได้ครับนะ เ, เรื่องสั้ น, น, ร เ, รนเรื่องยาวได้หมดเลยขอให้คุณคิงเล่าสนุกอยู่แล้วนะะเรื่องของเกินคาดคิดที่ว่านี้เป็นเรื่องราวของใครอะไรยังไงครับคุณคิงอน้องคนนี้เนี่ยผมขอไม่เอ่ยชื่อเขาดีกว่าน้อได้ครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมจะต้องบอกกับพี่แจ็ค ก, ก่อนว่าทั้งก่อนผมเคยพูดกับพี่แจ็คเอาไว้ว่าเรื่องของคุณจบทีเรื่องผับนี้เนี่นะครับเป็นเรื่องที่ทําให้ผมเนี่ยฟังแล้วผมรู้สึกว่ามัน มันแบบมันมันมบีบหัวใจอ่ะถูกต้องจังหวะมันบีบหัวใจมากใช่อืมอืมแต่ตอนเนี้ยเรื่องของน้องคนเนี้ยที่เขาทําให้ผมได้ได้นี่กว่าคือผมไม่ได้คุยกับเขาด้วยทำนะครับแต่เขาเขียนมาให้ผมอ่านอืมแล้ววินาทีที่ผมอ่านเป็นตอนที่ผมกําลังเทพระอยู่ผมสิ่งแค่ขนะดวางมือเลยอ๋อเพราะมันแปลกมันแปลกจริงๆครับ คำแรกที่เขาถามผมมานะครับเขาบอกว่าพี่ฮีเชื่อเรื่องผีใช้โทรศัพท์ไหยเขาถามผมมาก่อนอนะผีอะไรนะฮะผีใช้โทรศัพท์โอ้โหเขาถามมาอย่างนี้เลยเหรอใช่ผมก็เลยเอบอกว่าในอดีตเนี่ยผมตอนที่สมัยที่ผมบวชนี่ย<ถ>ผมเคยเจอเรื่องของข้อความ ม, มากับเด็กวัดคนหนึ่งที่เขาเจอออืซึ่งจะได้ได้ได้หาต้นสายไปเห็นแล้วรู้ว่าผู้ที่ส่งข้อความคือสารพระคูที่อยู่หลังห้องน้ำํำ ครับแต่ไอที่โทรเลยเนะี่ยยังไม่เคยได้ฟังส่วนตัวทัศทีหรือว่ายังไม่ได้ยินอเคยมีแต่คนโทรมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าโดนอําหรือเปล่าครับเขาก็เลยบอกว่ า, วาเรื่องนี้ขาใจอยู่มาเปเจ็ดปีแล้วแล้วเขาก็พิมพ์มาว่าอย่างงี้พี่ผมเริ่มเลยนะอ๋อได้เลยฮะคือพี่สาวของเขาเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นญาติกันจริงๆครับแต่ไม่ใช่พี่น้องที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันนะเขาเรียนอยู่โรงเรียน มีชื่อแห่งหนึ่งในประเทศนะครับครับแล้วก็เขาจะมีกลุ่มววนของเขาเนี่ยที่จะมาเที่ยวที่ที่บ้านอ่ะประจาแล้วน้องคนเนี้ยเขาก็จะเป็นเด็กๆชอบไปวิ่งตามพี่ๆแบบเป็นเกิลกุ๊กเกลแก๊งอือแล้วเขไปไหนมาไหนกันเขาเดเขาค่อนข้างจะสนิทกับเขาครับแต่ว่าก็ไม่เคยไปบ้านคนอื่นนะมีแต่คนอื่นมาที่บ้านตัวเองนี้เรื่องมันก็ผ่านไปจนการทเขาเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็เห็นกันจนสนิทชิดเชื้อนะหลายปีเรียนด้วยกันครับ ไปมาหาตัวกันนี้ตลอดแล้วเริ่มงมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าน้องเขาสงสัยแล้วเขาก็ไปถามพี่สาวเขาว่าคนทุกคนหายไปไหนที่ได้ฟังเรื่องนี้มาก็คือพี่ตัวควตมวละครนะผมจะพูดถึงแค่สองตัวนะ <c oughs> มีสองคนที่หลักๆคือคนแรกก่อนชื่อชื่อแจนแจนเนี่ยเขาเป็นคนที่ก็ค่อน ข, ข้างจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่กขเนี่ย เป็นคนที่มีมีมีชะตุ้งชะตังหน่อยอแล้วก็ทํางาน ต, ตามฝันในวัตลอดอืบ้านอยู่แถวเขตนนท์นะ <c oughs> แล้วทีนี้เออ่เขาก็จะไปมาหาสู่เพื่อนใช้เงินทําใจอ่ะแต่เขาก็ไม่ทําตัวทะเลทลายไปไหนนะอืม <c oughs> ยังคงเป็นคนที่เชื่อเรื่องของดวงยังชอบดูหมอชอบร่างตรงอะไรอย่างนี้ <c oughs> แต่แต่ในเหตุการณ์นี้ก็คือวันหนึ่งอ่ะ เขาไปเดินตลาดแล้วเขาไปเจ อ, อแปะคนหนึ่งซึ่งคนแถวนั้นให้การอยอมรับว่าดูดวงแม่นมากคือคุณแจนเนคนที่ชอบดูดวงก็จริงแต่ถ้าแม่นเกินแล้วเป๊ะเป๊ะไปทุกเรื่องเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้ไ ง, งเพราะว่าเขาก็กลัวว่าจะไปยินอะไรที่มันไม่ดีชอบแบบบิดบ้างถูกบ้างนอนะว่าง่ายๆว่ารับความจริงไม่ได้แต่คนที่ดูดวงแต่รับความจริงอะไรทั้งหมดไม่ได้ไม่อยากรู้ทั้งหมดหรอกรู้รายลเอียวก็ใจไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วพอไปเจออแปะคนเนี้ยซึ่งคนทุกคนการันตีกันว่า ถ้าชอดูดวงดูที่แปะคนนี้เลยแกแม่นนะอืมเขาไม่ดูแล้วชีวเดินเดินอยู่แปะคนนั้นชี้หน้าแกแล้วบอกเลือดชี้เคาะนะในเจ็ดวันถ้าออกจากบ้านนะตายแน่นอนแกทักเงี่ยแต่ก็เลยมาอยู่ดีมาคัดอ่แะแต่กก็ใจไม่ดีเข้าใจไม่ดีเสร็จแกก็โทรหะเพื่อนแกคือพี่สาวของของน้องคนเนี้ยที่ที่เล่าเรื่องให้ผมฟังเนี่ยแหละ <c oughs> แล้วเอ่อ ฮัลโหลพี่แจนได้ไครับได้ยินเลยฮะชัดเจนครั บ, รบอืมเอ่อร้องคนนี้เขาก็เอ่อพี่สาวเขาก็โทรเอ่อคุณแจนโทรหารพี่สาวเขาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแกฉัน่ะออกจากบ้านไม่ได้เจ็ดวันแล้วนะเว่ยอืมหรือฉันจะไม่เชื่อดีวะเพราะว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรเล่าดีๆก่อนคือมีอแฝงี้นะเขาก็เราเราว่ า, าแปะงนี่แม่นมากเลยอยู่ที่แปงได้กระทัดงวันนี้อืมจะให้ทํายังไงดีวะคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อดีวะ พี่สาเขาอกว่าเอ้ยมันยังมีปัญหาอะไรนี่เราก็หยุดแค่เจ็ดวันไม่ต้องไปไหนมันก็ดีกว่าไม่ใช่เหรอวะใครเขาบอกว่าเขาแม่นก็เชื่อไว้หน่อยเหอะถ้าลองคนการันตีขนาดนั้นเนี่ยมันก็ดีนะแกเรื่องพวกนี้แกอย่ามองข้ามก็เลยตัดสินใจว่าเออโอเคถ้าเคยใครถามมาฉันนะฉันไม่ได้บอกใครฉันบอกแกไวแล้วนะแกก็ช่วยบอกเขาอยู่แล้วว่าฉันไม่ออกจากบ้านเจ็ดวันว่าเพราะอะไรแต่ถ้าเป็นทางเรียนแกก็บอกได้ว่าฉันป่วยเผยดแล้ก็ว่ากันไปอย่างงี้ยแล้วทีนี้ เขาไม่ได้บอกใครนะที่สาวของน้องนี้ไม่ได้บอกใครพอไม่ได้บอกเสร็จปุ๊บเนี่ยมีอยู่ผ่านไปสี่วันห้าวันหลงวันก็ุทกันเรื่อยจนวันที่เจ็บวันที่เจ็ดเนี่ยแจนก็โทรมาประมาณสักบวกเข้าหน่อยหน่อยว่า เ, เ, นเนย็นๆเกือบจะบวกเข้ากือบจะเข้าข้ามข้ามของเข้ามครับเลยแกวันนี้วันที่เจ็ดแล้ววัมที่สาวนราเนี่ยบอกก็ดีแล้วไงว่าพรุ่งนี้ก็ออกจากบ้านไดแล้วไงี้ยอ่าปัญหามันอยู่ตรงที่ ของในบ้านชั้นหมดเลยอืามาม่ากก็ไม่เหลือไข่ก็ไม่เหลือเนี่ยแล้วอยู่มากอยากกินก๋วเถี๋ยวมากแกมาหาฉันหน่อยได้ไหมพี่สาวของน้องแล้วเขาก็บอกว่าโผล่พลเมฆโทรวันนี้ด้วยแล้วไม่ได้บอกใครไว้ก่อนแล้วจะไปยังไงวะเดอ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามคนอื่นให้แล้วโทรไปถามเพื่อนอีกคนนึงจะเล่าให้ฟังบอกเนี่ยที่แกนหายไปเลยเงียบเลยเรื่องเป็นี้เนี่ยแล้ววันนี้วันที่เจ็ดแล้วเนี่ย ของในบ้านมันจะหมดแกไปหาแน่แน่ว่ะคนแรกเขาก็บอกว่าคือตอนนี้อยู่หลานอยู่ที่บ้านไม่มีใครอยู่เลยเราไ ม, ไมบอกกลอบลงหน้าเขาก็เออไม่เป็นไรตัดสินใจโทรไปหาอีกคนนึ่งชื่อคุณเจนอ่านี่นะโทรไปหาคุณเจนแต่แตัดใจรอบนี้ไม่เล่าให้ฟังแหละมันดับท่านๆไปหาเพื่อนมาหน่อยเพื่อนมึนต้องการความช่วยเหลือคุณเจนก็เป็นคนที่ที่รักเพื่อนไม่ได้ฟังอะไรเลยไม่ถามอะไรให้ไปก็ไป ก็ไปหาเพื่อนเสร็จเราเออเดี๋ยวฉันไปเองพอไปถึงไปเจอคจุณแฌนอยู่ใ่บ้านร่างหิวเลยอ่ะถ้าถามว่าแกเรียกฉันมาทำไมวะอเฮ้ย hey, ไรของกินฉันนะ่ะครับแฌนถามเนี้ยแฌนบอกของกินของเพื่อนเลยวะออืคือทําไม่เล่าแกฟังเหรอไอ้จุดสุดคือพี่สาวของเราอนนี้นะมันไม่เล่าแกฟังเหร อ, ไ, อ, อ, อมไ ม, อะะไม่ไม่ได้เล่าทําไมอ่ะฉันก็มาหาแกนเนี่ยแล้วกะ ว, ว่าเดี๋ยไปหาอะไรกินกันบอก กันว่าจนะนอนเห็บ้านไม่ได้ออืแล้วก็เริ่มเราให้ฟังพอเล่าเสร็จเขาบอกอ้าวไม่รู้ไม่เห็นบอกเลยถ้าบอกก็คงซื้ออะไรเข้ามากินแล้วหละ่ะงั้นจะไป อ, อนนีนี่ทำไมเขาก็เลยบอกองั้นอย่างนี้นฉันอยากิก๋เตี๋ยวแกไปซื้อให้หน่อยผัดอยนี่เองเนี่ยเดิน <c oughs> ไปเนี่ยออกไปหน้าบ้านเขามองเห็นแล้วผัดซอยนะเ้าบอกได้ได้ได้เดี๋ยวไปซื้อให้รอนี่นะลูกเจนก็รับปากเสร็จแล้วก็นี่วิ่งออกไปหน้าบ้านอืประกะว่าจะไปซื้อก๋เตี๋ยวให้เพื่อน มันไม่น่าถึงห้านาทีโดยประมาณไม่ไม่เกินห้านาทีโทรศัพท์บ้านดังสมัยนั้นนะแล้วโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นพอคุณแจงครับมีเสียงคุณเจนพูดมาว่าเอมึงซาใจแล้วใช่ไหมที่กูมาตายแถนคุณอะเขาแบบตัวชานะออืคือออกไปทักเดียวเองอะทักเดียวเองเขาก็เลยถึงโไปมองหน้าบ้านออแล้วก็เห็นคนอะวิ่งไปตักขางกัน เป็นงเหมกันและรู้สึกมีแรงแล้วหอมเขาวิ่งออกไปดูหน้าบ้านมองไปที่ปากซอยเห็นเบียไม่รู้คนมุงก็เลยวิ่งตามออกไปครพี่แจ๊คเพื่อนเขาที่ชื่อเจนโยนรถตู้ชนอัดเข้าไปในตู้โทร์กลับตายทันทีเฮ้ยหลังเด็กเสียเหรียญโทรศัพท์ผมอ่านเล่อนงงว่าเลยพี่แจ๊คคิดว่าอ๋อแล้วใครโทรหาเขาพี่แจ๊คคิดว่าคนที่โดนรถเบี้ยวไปขนาดนั้น่ะจะมีอารมณ์หยอดเหรียญตู้แล้วโทรไปไม่มีทาง แล้วทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นเขาก็เหมือนกับคนที่แกน่ะใจเสียนี่คื อ, อีน้องเขาพิมพ์มานะใจเขาเสียเขาเริ่มแบบไม่อยากอยูนะ่แล้วเราก็เริ่มเห็นเพื่อนที่ชืเจนน่ะมาพูดอย่างเงั้ยบ่อยๆแม้กระทั่งในฝันออือเขาเลยขอพ่อแม่เขาไปอยู่เมืองนอกน้องเขาบอกว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันเนี้ยพี่แจนก็ไปอยู่เมืองนอกตลอดเลยค่ะเนาะผมก็เออกันแล้วไปเนะาะจะนึกว่าจะไม่มีอะไรพี่แจน แต่ผมก็บอกว่าผมยอมรับผมมาแล้วผมคนลุกแต่ผมก็เล่าให้เพื่อนฟังนะเขาก็ว่าเขาคนรู้กันมันเปเรื่องที่แปลกแล้วอยู่วันหนึ่งน้องเขาส่งข้อความมาพี่คิงหนูไปถามมาแนละ้วเรื่องราวมันมีเพิ่มเติมอีไห ม, มว่าอาร์อาร์มันเป็นยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่แกนอะเขาบอกกับพ่อแม่ว่าพี่เจนมาตามทุกที่เลยออืแล้วพูดเขาว่าสะใจแล้วใช่ไหมที่กูมาตายแทนมึงเนี่ยสะใจแล้วใช่ไหมพูดอยู่เนี้ยจะนึก่นนี่น่าจพูดจะเข้ า, าไปเหมือง น, นอกใช่ไหมพี่ ใช่คุณบอกผมมาอย่างนั้นอืมจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะพี่แจนผูกคอทายคระบเยผมเลยหมือี่อย่างี้แหละแล้วผมพยายามขอคุยกับน้องเขาบอกูกคออะไรอย่าีอเทลทั้งเขาบอกว่าผมพี่ลูกหนูเจ้เจาใจมากนะหนูลูกอก่อนนะผมหนู ห, น ห, นหนคนอยากคุยกับพี่เลยแต่แต่หนูคุยไม่ได้เนะี่ยตอนนี้นลูกหเ จ, เจ้ามากเลยมผมก็ผมอยากคุยเขามากอะนระนี้ครับ แล้วเขาก็บอกเรื่องนี้หนูก็เพิ่งรู้ตอนนี้แหละว่าพี่แกนตายละหนูคิดว่าพี่แกนอยู่เมืองนอกมาตลอดเพราะพี่สาวหนูบอกตอนหนูไปถามมาครั้งนี้ยว่าจะเล่าให้พี่ฟังแล้วเรื่องมันก็ผ่านมาสิเจดปีแล้วพี่สาวหนูได้บอกว่าจริงๆจะบอกให้ฟังแะ ว, ว่าแกนอะมันถูกขอดตายตั้งแต่ช่วงนั้นแหละมันไม่ได้เป็นเมืองนอกหรอกแค่เพื่อนๆพูดไป่งั้นแหละเพื่ อ, หอให้เพื่อนในรุ่นเดียวกันในโรงเรียนน่ะไม่ถามอะไรมากอีกฮ้ย คือหลังจากที่เขาโดนโดนเหมือนโดนรังควานก็เลยตัดสินใจผูกคอตายใช่ครับแต่ทุกคนก็ไม่อยากให้เอ้ยมีการมาถามอีกว่าตกลงแล้วเขาเป็นยังไงอะไรยังไงก็เลยโบยว่าเอ้ยเขาไปอยู่เมืองนอกแล้วแต่จริงแล้วไม่ใช่ผูกคอตายเลยอละฮะเฮ้ยเขาบอกว่าคนชื่อเจนเนี่ย คือคือพี่สาวของน้องคนแรกเขารู้เรื่องทั้งหมดแต่เขาเก็บงินมาทั้งหมด17บเปีเหมือนกันเนี่ยเพราะขาติดว่าน้องเขาเขาไม่จำเป็นต้องรู้อะไรเนี่ยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันเนี่ยถามสาเหตุการตายของคนชี้เจนแล้วเนี่ย<อ>แล้วมาถามหาแกนเนี่ยซึ่งแกนเป็นคนเหมือนแบบรู้สึกผิดผิดลึ ก, ลกเหมือนตัวเองตนเหตุก็ไม่อยากให้ใครไปฟื้นฝอยา ห, หานตะเข็รับเพื่อนตัวเองออืพอเพื่อนตัวเองนะผูกคอตายไปแล้วก็เลยตัดสินใจพูดกับทุกคนว่ามันไปอยู่มึงนอกแล้วไม่ต้องถามอะไรอีก แค่นี้ก็เครียดพอแล้ว<อ>ทุกคนในกลุ่มที่เป็นเกิลแก๊งกันล่ะตัดสินใจพูดอย่างนี้ครับเฮ้ยอย่างนะคือโอ้โหน่ากลัวว่ะ อ, อ่มันเหตุการณ์มันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะมันไม่มีอะไรจริงๆเลยนะคือแค่เพื่อนมาหาที่บ้านโดยที่เพื่อนไม่ไม่รู้ว่าเพื่อนของตัวเองคนเนี้ยเชื่อในคําทํานายของหมอดูที่เขาบอกว่าแม่นมากก็คือไม่ออกจากบ้านเลยเจ็ดวัน เพราะว่ากลัวจะมีอันเป็นไปตามที่หมอดูได้บอกจังหวะนั้นได้มาเยี่ยมที่บ้านนะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้ก็เลยเออเพื่อนอยากกินก๋วยเตี๋ยวฝากไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อยก็เลยออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้อห้านาทีเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นมาเขาก็รับปรากฏว่าเป็นเสียงของเพื่อนคนเนี้ยตะโกนออกมาว่ามึงสะใจแล้วที่ไม่ที่ทําให้กูโดนรถชนตายอะไรประมาณนี้ที่จะให้กูมาตายแทนมึงเออ สิ้นเสียงนั้นคือช่โง่ออกไปดูคือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าตรงนั้นมารู้อีกทีนึ่งปีไปแล้วปีแล้วปอยเขาเลยออกไปดูรอบบ้านอ่าวิ่งไปดูอะไรกันเพราะใจไม่ดีแล้วไงแล้วก็เห็นว่าคนมุงอะไรไม่รู้ที่หน้าปัดปอยเลยวิ่งตามไปไปเห็นเพื่อนตัวเองโดนอัดกอปปี้อยู่ในตู้โทรศัพท์โอ้โหย่เนี่ยมันตรงเนี้ยคือล้วใครที่โทรมา เจ็ดปีครับที่น้องคนนี้เขาเก็บเอาไว้แล้วเขาบอกคุณเขาตรงใ่มากเลยหนูาถามพี่ก่อนเพราะหนูไม่กล้าเล่ากลัวพี่จะบอกว่าผีบ้านอะไรใช้โทรศัพท์ผมเลยบอกรู้ไหมว่าคุณทําให้ผมคนลุกไปหมดโอ้หน้ากลัวหน้ากลัวจริงๆนะหน้ากลัวหลังจากนั้นคือเหมือนตัวเองเนี่ยโดนรังควานจากเพื่อนคนเนี้ยจนผนสุดท้ายเลยคิดผู่คอตายใช่ครับ<ฮ>ก่อนที่จะผูกคอตายเนี่ ย, <ฮ>ข ย, เ, ยเขาออกมาบอกกับแม่เขาในค่าคืนวันนั้นว่าอา แม่หนูไม่ไหวแล้วน ะ, ะเจนมันจะเอาหนูจริงๆงันะ้นแหลมันพูดมันจะเอาหนูนี่ก็สิ่งที่พี่สาเขาเล่านะพราแม่เขาเล่าให้ฟังในงานศพเองเจนมันจะเอาหนูหนูไม่ไหวแล้วนะแม่หนูหนูอย่างเงี้ยแม่เขาบอกอย่าคิดมากเรือ่องมันผ่านไปแล้วกินยานแล้วนอนซนะเข้าไปแล้วเงียบมากเลยอ่ะ like แล้วเช้ามาไม่ออกแม่เขาก็ไปตรวดูดูคือไม่ได้เอกใจในกัเนเลยนลูกเขาก็ไม่เคยเคร้องประตูหรอกเขาบอกเข้าไปคือแข็งเรียบร้อยแนละ้วยู่กพัดลม เฮ้ยผมผมผมมาย้อนฟังย้อนคิดเรื่องที่น้องเขาเล่าให้คุณคิ่งฟังนะครับคือเขาโดนหมอดูทักว่าอย่าออกจากบ้านภายในเจ<ช>็ดวันเนี่ยจะมีอุบัติเหตุเหมือนกับเพื่อนเขามารับเคาะแทนปะครับเหมือนอย่างนั้นเพราะว่าอย่าง<อ>ที่เจนกับแจนเหมือนกันแล้วน้องคนนี้เขาบอกว่าถ้านหนูจาไม่ผิดเหมือนวันเกิดเขาจะใกล้ๆกันด้วยรอฮะครับโอ้ แต่ผลสุดท้ายก็ไม่พ้นเห็นมาเห็นเพื่อนมารับพราะแทนแต่ผลสุดท้ายตัวเองก็ก็ฆ่าตัวตายก็เหมือนกับคำที่หมอดูแม่นแม่นท่านเนี้ยท่านได้บอกเอาไว้ว่าเนี้ยกำกําลังจะมีอันเป็นไปใช่ครับแพทยท่านนี้เขาบอกว่าจังมากแนละ้วแ อ, นอนลกอฮอล์เขาบอกเลยโอ้โหเฮ้ยน่ากลัวเรื่องสั้นๆแต่ฟังแล้วเุ้ยมันได้อ่ะ มั น, นพี่ยันได้ฟังอย่างผมพี่ยังรู้คนรู้แต่ผมมอกว่าน้องกันเรียกเขาเก่งเขาพิมพ์ให้ผมอ่านแล้วผมคนรู้เขาเน้นนะว่าตอนที่โทกลับมาเน้นว่าเป็นเสียงแต่พ่อเสียงกระชากครับ อ, อ๋อเป็นเสียงเหมือนกับอาฆาตเสียงเหมือนกับขู่อาฆาตว่าเนี่ยทําให้เขาต้องมาจบชีวิตลงตรงนี้เพียงเพราะว่าคใช้ให้เขาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวปักซอยแค่นั้นเองครับเฮย เอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเออแต่คุณคิงก็ยังไม่ได้คุยกับน้องคนนี้แบบเป็นคําพูดใช่ไหมฮะว่าตกลงรางเอียหรือว่ามันเป็นยังไงคิงเนี้ยออกไปแล้วเขาจะยอมคุยกับผมสักทีนะเออเนาะคือลองลองดูคุณคิงเผื่อมันได้ข้อมูลอะไรที่มันเพิ่มเติมรายละเอียดดีเทลผมว่ามันต้องมีมากกว่านี้บางทีผมอาจจะไม่ค่อยกล้าพื้นถอยเท่าไหร่มากเพราะว่าแกเขาว่าน้องคนเนี้ย อยากอย่างที่ผมส่งคือผมทำลงลงช่องผ ม, มแล้วแล้วผมก็ส่งหปเขาฟังเขาเขียนกลับมาบอกเ ว, ว่าเขาตอนนี้เขาไม่ไหวแล้วเขารองไห้อยู่ผููนี้หนูต้องไปทําบุญแล้วแล้วในคืนนั้นอ่ ะ, ะโอเคผมไม่รู้แนละ้วผมไม่กล้าการันตีผมไม่รู้ผมคิดไปเองรึเปล่า<ะ>แต่แต่ในบ้านผมมันเหมือนมีคนชงง่ายเข้ามาในทางกต่างออืในคํามมืดอะผมก็เลยว่าเฮ้ยเราหลอนไปเม่าเราเอามคิดมากเกินไปเมื่อวานมันทัดเกินไปเมื่อวาในขณะนี้เรปิดไฟในห้องหมด เลยผมก็บอกกับเขาแล้วแกดรงยานี่ว่าถ้าเรื่องของคุณคุณไม่โอเคผมลงครับถ้าผมพยายามจะลงเนี่ยสามครั้งถ้าไม่ติดเนี่ยผมไม่ดื้อผมไม่คุ้นแต่ถ้าคุณพอให้ผ่านแสดงว่าคุณให้นะครับว่าผมไม่ได้แล้วก็มันเหมือนเป็นเรื่องเตือนสติคนด้วยแล้วก็ให้ส่วนจะถึงเขาทั้งหมดเลยผมไม่เอาปรากฏว่าได้ก็ได้ครับพับคำเดียวก็ลงได้เลยออื โอเกินคาดคิดจริงๆฮะสมกับชื่อเรื่องน่ากลัวฮะคุณคิงนะฮะขอบคุณมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครั บ, รบแล้วก็ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้นะคุณคิงนะถ้าสมมุติว่าน้องเขาพร้อมที่จะคุยอะไรยังไงถ้าได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาอย่าลืมมาบอกกันนะคุณคิงครับเพื่อจะได้ลองวนี้จะลองคัดไป็นอีมเพื่อจะได้รายละเอียดที่มันเพิ่มเติมมากกว่านี้มันยังมีอะไรที่มันเหมือนคัดขาดหายไปอยู่นิดนึง ผมยังนึกไม่ออกว่ามันขาดอะไรไปเออแต่มันน่าจะมีอะไรเออผมเล่าตรงที่เขาเขาเขาเขียนมาเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นการพิมพ์แบบพิมพ์แบบมายาวๆเลยครับคุณผู้มอ่านครั้งแรกคือเส็จแรกที่เข้าใจว่าไปจบลงที่คุณแกน่ะไปเมืองนอกครับและอีกวันหนึ่งเขาต้พิมพ์มาแบบยาวๆอีกทีหนึ่งว่าสรุปแล้วเรื่องมันเป็นอย่างไงครับผมก็คือผมอ่านแล้วเป็นอาการแบบหยุดทํางานทั้ง2ชั่วโมงเลยมันอือแล้วก็นั่งมองนั่งคิด ทำไมคนลุกไม่หยุด ล, ล่ะเราก็คิดกับตัวเองอะนะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวกับแทบจะทีมม่มีอะไรเกี่ยวกับผีในชทั้งนินนงเดเลยนะมีเพียงแต่ทําไมคนลุกจังเลยฮ่าเออน่ากลัวนะคุณคิงเผื่อได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมมาบอกนะร อ, รอฟังรอฟังรอฟังบทสรุปเรื่องนี้ไม่ว่าจะนานขนาดไหนหรือได้ไม่ได้ยังไงคุณคิงบอกนะเนี่ยเดี๋ยวผมส่งข้าควาวิปแจ้งลองอ่านดูว่าฝีมือน้องเขาอ่ะเขาเขาเขา พิมมาอ่ะเขาง่ายเด็กผมผมเข้าของคุณวิววิแล้วกันได้ฮะได้ฮะเดี๋ยวให้วิวงเาดูเดี๋ยวนดูนะครับได้อน้องเขาพิมมาเน้่เขาใจง่ายอย่างนี้ผมพูดจริงๆริงหมครับเออนะฮะดูโอเคคุณคิงยังไงขอบคุณมากคืนนี้ที่มาปิดท้ายนะครับสร้างความตื่นเต้นให้กับเดอะโกสส์รีดิโอของเราเหมือนเดิมฮะสมก็เป็นคิงโกสเหมือนเดิมฮะ เออนะคุณคิงนะยังไงท่านเรื่องสั้นๆแต่ว่ามันน่าสนใจไงเลยมามาแชร์กันไงเออสนุกตื่นเต้นสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งคุณคิงนะฮะอย่าลืมว่าเราก็รอเรื่องของคุณคิงอยู่เรื่อยๆนะคุณคิงสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาแล้วก็ที่สําคัญรักษาสุขภาพด้วยถึงขนาดเส้นเส้นเส้นพลิกเนี่ยเป็นประชาราษฎเหมืกันไหมอะอะไรนะ ปลาช้เขมรโอ้โหผมยังที่ไหนอะฮะแก้วไลที่สาแก้วใช่ไหมใ uh อ่ที่ไปเที่ยวโงเกลือด้วยอย่างเงี้ยเขาไปเทียบอ่าอผมผมไปบ่อยผมไปบ่อยที่ ท, ท, ที่ที่ลงเกลือนะครับแต่ปลาช้าเขมรยั ง, ย, งยังไม่เคยได้ไปเดี๋ยวมีโอกาสคุณคิงเพราะว่าเดี๋ยวคงจะมีการถ่ายทงถ่ายทํารายการอะไรอย่างเงี้ยนะครั บ, รบเดี๋ยวคงจะได้ร่วมงานร่วมแจมกันคุณคิงครับเพราะว่าผมอยาก อันนี้คือผมเชื่อแล้วผมดูรายการที่นะแล้วผมเห็นภาพเขาทำนะครผมเชื่อเลยว่ามัับพลังงานได้จริงแล้วผมอยากรู้ว่าถ้าตรงที่เป็นศูนย์รวมอย่างนั้นะจะมีถ้ากี่ก้อนพลังงานอ่จับได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยเรามีเครื่องคุยกับเขาด้วยไม่รู้เขาอยากคุยอะไรกับเราหรือเปล่านั่นแหละนะแต่ถ้าเกิดยังไงก็ต้องอล่ามไปด้วยแหละแล้าเขาคุยมาเขาคุจะไม่รู้เรื่องกันนะผมเคยลองคุยกับต่างด้าวแล้วรอบนึงฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันเขาไม่พยายามพยายามจะเจ๊ตัวไปข้างนึ่งเลย เออเอได้ได้ได้เดี๋ยวคงมีโอกาสได้แจมได้ร่วมงานกันคุณคิงครับผมนะครับยังไงขอบคุณมากมากนะคุณคิงนะเช่นเคยครับพี่แจมนะครับเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับคุณคิงครับสวัสดีครับเดอะโกลด์เรดิโอสนับสนุนโดยวินเดอร์กสุาฝากง่ายจ่ายคองการันตีการเงินร้อซ